สิกขาบทที่13ว่าด้การบวชให้สิกขามานาปีละสองรูปเครื่องภิกษุณีหลายรูป 1,174 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเจตวันรามของอนณาถาบินธิการเสตีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายบวชให้สิกขามานาปีละสองรูปทำให้ที่อยู่ไม่เพียงพอเหมือนดังที่เป็นมานั่นแหละ คนทั้งหลายก็ตําหนีประนามโพนธนาอย่างนั้นแหละว่าจะไหนพวกภิกษุณีบวชให้สิกขามานาปีละสองรูปเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตําหนีประนามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าจะไหนพวกภิกษุณีบวชให้สิกขามานาปีละสองรูปเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบ